ขออนุญาตนะครับกล่าวธรรมวินัยนี่เราก็มาขึ้นประมาททีปณีอัตกถาพุทธกานิกายอิติวุตกะนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอธิบายอารัมภกรถาอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าขยายพุทธพจน์นั้นๆเลยนะครับต่อจากครั้งที่แล้ว ที่ชื่อว่าอิติวุตกะนี่นะครับเป็นชื่อของคำพีจัดเป็นสีนิบาศนะครับมันคล้ายๆกับอังคุตระนิกายนะอังคุตระนิการนี่ไปจนถึงเอกาทศกานิบาศนิบาศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับที่หนึ่งเรียกเอกานิบาศสองเรียกทุกกานิบาศสามเรียกติกานิบาศเป็นต้นนะครับส่วนอิติวุตกะนี้ แค่4นิบาทถ้าอังคุตระนิกายถึง11นิบาทเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆกับอังคุตรนิกายนะฮะทีนี้ในคถ า, านั้ น, ท, นท่านอธิบายว่าเชื่อว่าอิติวุติกะนี้จัดเป็นนิบาทเนี่ยอย่างคือเอกานิบาศนะหมวดหว่าไงนิบาศตรงนี้น่าจะแปลว่าหมวดหมวด1ทุกานิบาทหมวดสอง กตกนิบาตนี่ก็เรียกว่าหมวด3จตุกะนิบาตก็เป็นหมวด4เพราะฉะนั้นคำพีอิติวุตกะนั้นก็นับเนื่องในพระไตปิดกเรียกว่าสุตันตาปิดกนะครับพระไตปิดกนี่มี3ใช่ไหมพระวินัยปิดกพระสุตันตาปิดกและก็พระอภิธรรมปิดกฉะนั้นคมภีนี้ก็อยู่ในพระสุตันตปิดกนะครับถ้าบอกว่าสุตันตปิดกก็คือไม่ใช่พระวินัยและไม่ใช่พระอภิธรรม แล้วคมภีร์นี้นะครับคำพีติวุตการนี้อยู่ในคุถกานิกายในนิกาย5อย่างคือนิกายมี5อย่างคือหนึ่งทีคณิกาย2มัชฌิมนิกาย3สังยุตตนิกาย4อังคุตรนิกายเป็นต้นนั่นเองนะครับพันคัมภีร์นี้ก็เรียกว่าเป็นคมภีร์ในประเภทคุถการนิกายคุถกานิกายในนิกาย5อย่างนะ แล้วก็คัมภีอิติวุตกะนั้นนับเนื่องในนวังฆัตตุศาสตร์นะครับจัดเป็นอิติวุตกะนวังฆัตสตุศาสตร์นั้นแปลว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วย <Yeah. S 1> องค์9ก้องค์9คือ1สุตตะสองเคยะสาวยากรณะ4ีคาถา5อุทานหอิติวุตกะ7ชาดก8อัอภูตธรรม9เวทละนั้นคัมภีนี้เรียกว่า อิติวุตกะในคําสอนอันประกอบไปด้วยองค์9ทีนี้ท่านนับโดยจํานวนธรรมะขันเขาบอกว่าสงเคราะห์เข้าในธรรมะขันจำนวนเล็กน้อยคือไม่มากนะครับไม่มากไม่เหมือนพระวินัยทั้งสองหมืหนึ่งพันพระธรรมะขันนะพระสูตรนี่มีสองหมหนึ่งพันพระธรรมะขันพระพิธรรมนี่มีสี่หมื่นสองพันพระธรรมะขันเพราั้นในสองหมืนหนึ่งพันธรรมะขันนีก็ส่วนน้อยของธรรมะขันทั้งหมดเหล่านั้น ที่อยู่ในคัมภีร์นี้นะนั้นคําว่า 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์นั้นเป็นคําที่พระอานนทเทระผู้เป็นธรรมะพันดาคาริกปติญญาไว้ว่าคํานี้นะเป็นคําของพระอานนท์ที่ท่านปฏิญญาไว้ว่าธรรมะเหล่าใดที่เป็นไปแก่ข้าพเจ้าธรรมะเหล่านั้นข้าพเจ้าเรียนจากพระพุทธเจ้า8ปดหมสองพันจากภิกษุอีกสอ0 0ัคือพิกษุก็เรียนจากพระ สารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะจึงรวมเป็นพระธรรม 84,000 พันพระธรรมขันธ์ที่ที่พระอนุนท่านเรียนมา น, นะครับส่งไ ว, ดว้ด้วยใจคล่องปากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในคำภีติวุตกานีถ้าว่าโดยพระสูตรนะครับมีอยู่ทั้งหมดรวมไว้ประมาณ112สูตรนะทั้งหมดเลยนะยในเล่มนี้เล่มนี้มีทั้งหมด112สูตรเนี่ยก็มาแบ่งว่าเอการนิบาดนี่มีอยู่สูตร นะครับทุกานิบาตมีอยู่ยี่สิบสองสูตรติการนิบาตมีอยู่ห้าสิบสูตรแล้วก็จตุการนิบาตก็อีกสิบสามสูตรรวมเป็นหนึ่งร้อยสิบสองสูตรอิติวุตกะนั้นในบรรดานิบาตเนี่ยนะครับนิบาตมีสนิบาตใช่ไหมเอการนิบาตทุกานิบาตติการนิบาตแล้วก็จตุการนิบาตนิบาตแรกคือเอการนิบาตเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแล้วใน นิบาทเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีหลายวัคท่านแสดงปาติโพควัคเป็นวคแรกก่อนเป็นวัคข้อแรกก่อนทีนี้ในร้อยยี่สิบสูตรเนี่ยก็แสดงโล้าสูตรเป็นสูตรแรกเดียวนะครับที่เริ่มแสดงไปกล่าวไปเมื่อวานบ้างแล้วอันหนึ่งอิติวุตกะแม้นั้นมีคำขึ้นต้นที่ท่านพระอนนต์กล่าวไว้ในคราวทาสังคยาใหญ่ ครั้งแรกนะครับรปฐมมหาสังคีตนะครับเมียที่ว่าวุตตังเหตังพระควตาเป็นคำแรกนะคือลักษณะของคำพีนี้มีความเด่นเฉพาะตัวคือวุตตังเหตังพระคาวตาักก็การสังคยาครั้งใหญ่นี่นะครั้งแรกนี้นั้นยกขึ้นสู่แบบแผนปรากฏอยู่ในวินัยปิฎกแล้วแล อันหนึ่งกระถามักใดที่จะพึงกล่าวไว้เพื่อจะได้เข้าใจในคําขึ้นต้นในที่นี้กระถามรดัยนั้นก็ได้กล่าวไว้แล้วโดยพิสดารในอัตถกถาทีคณิกายชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบตามนัยะที่กล่าวไว้ในอัตถกถานั้นเถิดคือถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ประวัติเกี่ยวกับการสังขยานา น, นะครับก็ดูได้ในทีคณิกายอัตถกถาพรหมชารสูตรนะครับ ตอนต้นๆของพมมาชาลสูตรถ้าฉบับ91เล่มอยู่เล่มที่11นะครับตรงนั้นก็จะกล่าวถึงการสังขยานานี่เฉพาะในพระสูตรนะครับถ้าหากว่าจะดูในพระวินัยก็ดูได้ในพาหิรานิฐานนะครับหรือว่าในเวรัญชกันในเวรัญชกันนั้นจะกล่าวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดูในเวรัญชกันหรือในในเล่มหนึ่งนะวินัยปิฎกเล่มหนึ่งเลยนะ หรือว่าดูในทีค่นกายก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ทีนี้เริ่มวรนนา น, านิทานก่อนนะครับคือเรื่องราวคําว่า น, นิทานก็คือเหตุหรือเรื่องราวนั่นเองก็คําขึ้นต้นมีอาที่ว่าวุตตังเหตตังพระวตาและพระสูตรมีอาที่ว่าเอกธรรมังพิกเวปชาหะนีใดคําขึ้นต้นและพระสูตรนั้นนะครับคือเขาจะอธิบายแล้ว บททั้งหลายมีบทอาธิวัตถุตังพระวตาเป็นบทนามคือบทในภาษาบาลีทั้งหมดนี่มีอยู่แค่สี่บทเท่านั้นนะครับคือบทนามนี่อย่างหนึ่งบทนิบาสนี่อย่างหนึ่งบทอุปสรรคนี่อย่างหนึ่งบทอาขยาสนี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบทในภาษาบาลีมีอยู่แค่สี่บทแล้วท่านก็มาแยกให้ดูว่าอุตังพระวตาเป็นนามนี่นะอิติเป็นนิบาสปชาหัตอะไขอไปปะ ในบทว่าประชาธิษฐเนี่ยนะปะสัพเนี่ยนะเป็นอุปสรรคแล้วก็ชาหิะนี้เป็นอคติาสตรนะก็พึงทราบการจําแนกบทในที่ทุกแห่งตาม น, ยนัยนี้เพราะฉะนั้นในการเรียนพระคัมภีร์เหล่านี้ก็พยายามแยกดูว่าบทไหนเป็นอะไรอะไรนะครับอันนี้กล่าวถึงผู้ที่จะเรียนอ่านคัมภีร์นี้แบบภาษาบาลีนะครับโดยความหมายหรือโดยอัฐะวุตตะสับ ที่มีอุปสรรคและไม่มีอุปสรรคนะวุตตะนี้โดยศัพบแปลว่ากล่าวแล้วใช่ไหมครับไอ้กล่าวแล้วเนี่ยนะกล่าวแล้วเนี่ยบางคําก็มีอุปสรรคนําหน้าบางคําก็ไม่มีอุปสรรคนําหน้าก่อนทีนี้วุตตะสั์นี้มีหลายความหมายนะครับมีหลายอัตถะบางท่านเถอะเช่นปรากฏในอัตถะทั้งหลายมีอาที่อย่างนี้ว่าการหว่านพืชก็ใช้วุตตะสั์เหมือนกันนะการหว่างพืชอันนี้คือศัพท์ในพระไตรปิฎกนะครับ วุตตศัพท์ในพระไตรป honestly, uates, ิฎกเนี่ยเห็นที่ไหนไปแปลว่ากล่าวหมดไม่ได้นะครับวุทตศัพท์เนี่ยเพราะบางแห่งแปลว่าหวานพืชเช่นการหวานพืชหรือบางแห่งก็แปลว่าการทําพืชที่หวานแล้วให้เสมอกันวุตตศัพท์บางแห่งก็แปลว่าการโกนผมนะครับวุตตศัพท์บางแห่งก็หมายถึงการเลี้ยงชีวิตวุตตศัพท์บางแห่งก็แปลว่าการหลุดพ้นนะวุตตศัพท์บางแห่งก็แปลว่าการเป็นไปโดยความเป็นปาพจด นะครับคือคําสอนอนะนะหรือว่าบางแห่งก็วุฒิสับแปลว่าการเล่าเรียนบางแห่งก็บอกวุฒิสับนี่แปลว่าการพูดเะนั้นวุฒตสับนี่แปลได้8ความหมายท่านท่านยกมาให้ดูทีนี้ในศัพท์เหล่านั้นท่านก็จะยกที่มาให้ดูก่อนว่าวุฒิสับนี่แปลว่าการหวานพืชเช่นในพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าโคทั้งหลายของเขากําลังตกลูกพืชที่หวานในนากําลังออก ผู้ใดไม่ประทุสร้ายต่อมิตรทั้งหลายผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชทั้งหลายที่หวานไว้แล้วอันนี้ในคาถาก็มีวุตตศัพท์แต่วุตตศัพท์ตรงนั้นต้องแปลว่าการหวานพืช น, นะครับไปแปลว่ากล่าวไม่ได้กล่าวพืชอะไรเป็นต้นแปลอย่างอื่นไม่ได้ต้องแปลว่าการหวานพืชหรืออีกบางแห่งก็แปลว่ากามาในการทําพืชที่หวานให้เสมอกันด้วยวัตถุทั้งหลายมีคลาดเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะการเกลี่ยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะ การเกลี่ยพื้นดินการเกลี่ยมเมล็ดข้าวเป็นต้นการกระจายทั้งหมดเหล่านี้นะก็ยังใช้ในความหมายว่าวุตศัพท์เหมือนกัน น, น, นะนะวุตศัพท์เป็นศัพท์อธิบายเหมือนกันเช่นในบทว่าโนจะโขปฏิวุตังวุตตะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าการทําเพื่อที่หวานให้เสมอกันคือตรงนี้ให้เห็นหลักการแปลเท่านั้นเองนะครับหรือให้เห็นความสา ม, มารถของผู้เรียบเรียงคัมภีร์หรือว่าของโบราณอาจารย์ที่เขาเรียบเรียงคำพี์เนี่ย เขาไม่เห็นว่าเขาเห็นสัพท์แล้วเขาจะแปลไปเรื่อยเปื่อยนะครับ <_ C 1> <ม>เขารู้นะว่าศัพท์นี้ควรอยู่ที่ไหนแล้วสัพท์ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร<ม>เช่นอยู่ที่คําใกล้คเคียงเขาใช้คําว่าคําบริบท<ม><ม>เหมือนกับภาษาไทยเราจะพูดว่านกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราอะ่ะก่อ น, นกเขาเมันกันทั้งหมดนั่นแหละครับนกเขาก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีปีกไหมครับบินข้ามเขาก็คือบินข้ามดอยอ่ะนะ ไม่ใช่นกเราก็นกเขาไอ้คาว่าไม่ใช่นกเขาก็แปลว่านกคนอื่นนะไม่ใช่นกของเราอนะนกเขาเหมือนกันอนะไอ้คำว่าเขาเฉยๆนี่มีตั้งหลายความหมายเขาวัวเขาควายก็เขาเหมือนกันอ่ะเขาซึ่งหมายถึงไม่ใช่เราก็เหมือนกันก็ใช้ศัพท์ว่าเขาเหมือนกันนะครับเขาศัพท์เดียว น, นี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นศัพท์ไหนว่าโอ้มันต้องแปลอย่างงี้สิมันจึงจะเข้าจะต้องดูว่าบริวารแวดล้อมบริบทเป็นต้นเนี่ยนะคารับ ท่านเนื้อความในภาษาบาลีก็เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละตรงเหมือนตรงไหนครับคือเหมือนตรงที่ว่าเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณว่าผู้พูดเขาอยากให้รู้อะไรบางทีเขาใช้ศัพท์แบบนี้นะครับแต่เขาอยากให้รู้อีกเรื่องห น, นึ่งท่านเอาความประสงค์ของเขาเป็นประมาณคําพูดนี้เป็นจิตตะชูดนะครับมีจิตเป็นสมุทฐานเมื่อมีจิตเป็นสมุทฐานพยายามจับที่ว่าจุดประสงค์ของผู้พูดเนี่ยกล่าวอะไรนะครับอย่าไปเพ่งพยัญชนะจนเกินไปนี่นะครับ แต่ถ้าเป็นพระวินัยเนี่ยต้องพ ย, ยัญชนะเป็นหลักนะครับถ้าเป็นพระวินัยนี่พ ย, ยัญชนะเป็นหลักนะถ้าพระพิธรมรมั่สภาวะเป็นหลักแต่ถ้าพระสูตรเนี่ยความประสงค์ของผู้แสดงเนี่ยนะครับเป็นหลักว่าเขาต้องการให้เรารู้อะไรน้ำเสียงเขาอาจจะบางคนอาจจะพูดไม่ค่อยชัดน้ำเสียงอาจขึ้นสูงขึ้นต่ำไปบ้างความหมายอาจจะเปลี่ยนไปแต่ให้พยายามจับที่ความประสงค์ของเขาพระสูตรทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับเวลาอ่านเนี่ยเราต้องคํานึงเสมอว่า พระผู้มีพระภาคประสงค์จะให้เรารู้อะไรในสูตรนี้เอาจับตรงนี้เป็นหลักนะครับหรือว่าเราเอ่อเราเข้าใจสูตรนี้ว่ายังไงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่ายังไงนี่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์แต่ควรว่าพระ อ, องค์ประสงค์จะให้เรารู้อะไรควรจะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับในการศึกษาพระสูตรทั้งหลายแต่จะไม่อ่านทั้งหมดนะครับจะให้รู้ว่าเออวุตตศัพท์นี้ในพะระไตรปิฎกแปลได้หลายความหมายทีนี้ วุตตศัพท์ที่แปลว่ากล่าวก็เหมือนประโยคว่าก็เลสมดังพระดํำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราตถาคตเธออย่าเป็นอมิทายาทเลยอันนี้ข้อความในธรรมทายาสูตรก็ใช้วุตตศัพท์เหมือนกันแต่วุตตศัพท์ตรงนี้นี่แปลว่ากล่าวนะครับการกล่าวการพูดแต่ในที่นี้วุตตศัพท์พึงเห็นว่าใช้ในการกล่าวคือพูดนั่นเองอะนะวุตตะตรงนี้แปลว่าพูด นะครับเดี๋ยวไปเห็นอ่านวุตตศัพท์มาเยอะๆแล้วโอ้โหแปลว่าหลุดพ้นก็ได้มั้งวุตตังเหตังพระวตาเนี่ยนะเอวุตตังตรงนี้แปลว่าหลุดพ้นมั้งเออชักยุ่งแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามจับอัตถะว่าศัพเนี่ยท่านประสงค์ยังไงอัตตกะาจะช่วยเราทั้งหมดนะครับในเรื่องนี้อ่านขออธิบายนะครับถ้าทเหยียบข้างล่างเนี่ยมันจะกระเทือนทั้งมังทีนี้ต่อไปนะครับทีนี้ขยายเหตศัพท์ เหีนี่เป็นเป็นอะไรครับเป็นนิบาตนะครับหีสั์นี้เป็นนิบาศตกตกมาในระหว่างเช่นใช้ในความหมายนี้ว่าแน่แท้แล้วก็ชัดแจ้งเหีสับในนะวุตตังเหตังเหตัวนั้นแปลว่าห้นหเนี่ยนะหบกเอตังนะวุต A ตังหิเอตังใช่มครับตัดบทแล้วนะันหีตัวนั้นเนี่ยนะเป็นนิบาศใช้ในความหมายว่าแน่แท้หรือว่าชัดแจ้ง ทีนี้หิศัพท์นั้นสองความว่าสูตรนี้เออสูตรที่จะกล่าวในบัตรนี้เป็นสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่างั้นเถอะพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหิตัวนี้เนี่ยหิที่แปลว่าจริงอยู่เป็นต้นเนี่ยนะเห็นนี้ว่าชัดเจนเลยว่างั้นเถอะไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วพูดตรงๆ ง, งแล้วนี่บาต ท, ทั้งหลายประกอบด้วยการประชุมพร้อมแห่งศัพท์ที่บอกความหมายนะน่ท่านก็ให้ให้ หลักเกณฑ์ของภาษานิดหน่อยว่านิบาทที่ตกมาเนี่ยนะครับประกอบด้วยความประชุมพร้อมแห่งศัพท์ที่บอกความหมายจริงอยู่นิบาทเหล่านั้นช่วยขยายความที่จะพึงกล่าวให้ชัดขึ้นนะนะถ้าคำส้อยนี่นะครับจะช่วยทำให้ให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้อยคำอาจจะมาสับมาวางบ้างอะไรบ้างนะคล้ายๆมันหนุนคําปมันหนุนประโยคนั้นให้ชัดเจนขึ้นนะเมื่อวางนิบาศลงไปนั่นะ ทีนี้เอตังสับนนะคิดดูณนะพระธรรมาปาละเนี่ยท่านท่านสา ม, มารถเรียบเรียงให้เราเห็นว่าผู้ที่จะรจนาหรือเรียบเรียงอัตถกถานั้นเนี่ยนะครับมีความละเอียดละออทีท้วนเพ่งทุกอักขระนะครับอย่าว่าทุกบททุกพยัญชนะเลยทุกอักขระด้วยนะครับทําไมต้องปิณสระอีสระเอสะ อ, สะอีสระอืสะอืะอเป็นต้นเนี่ยถ้าพูดแบบไทยๆนะครับท่านก็จะรอบรู้หมดเลยเพระาะฉะนั้นเอตังสับ นี่เนี่ยนะครับเอตังศัพบเนี่ยนะมีหลายความหมายยกตัวอย่างว่าประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดคำว่าเอตังเนี่ยบางทีแปลว่าใกล้ชิดนะเอตังแปลว่านั่นใช่ไหมโดยไทยๆเราจะแปลว่านั่นนะแต่ตรงนี้บอกว่าเอตังเนี่ยแปลว่านี้ก็ได้นะครับเอโซเอโซเอเตเป็นต้นนะแต่แบบโดยมาเอตังแปลว่านี้นะ นี่ไอ้ท่านคำว่า น, นี่เนี่ยแปลว่ามันชิดๆนะเบีดเบียดกันมาเนี่ยมันี่มันี่มันี่แสดงว่ญญามากใกล้ๆหน่อยอันเอตังก็แปลวันนี้มา น, นี่อย่างเงี้ยน ะ, ะทีนี้พุทธพจน์ที่บอกว่าเอตังที่แปล ว, ว่าชิดๆเลยนะใกล้ๆเลยนะอย่างพุทธพจน์ในอในคาถาธรรมบทอนะนะที่พระองค์ตรัสกับอักขิทัตรามนะครับที่เป็นอาจารย์ของเจ้าหมูเจ้าคณะอดีตเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเปรเซนที่โกศล น, นะนะที่กล่าวถึง คาถาภาหงเวนะเขาเคยได้ยินก็คือคาถาภาหงเวนะว่าบุคมนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกภัยเป็นต้นคุกคามแล้วก็ถือพวกอารามลูกพเจดีเป็นต้นว่าเป็นสารณะเป็นต้นนะนะพระองค์ก็ตรัสว่าเออสารณะเหล่านั้นไม่ใช่สารณะที่กเกษมสูงสุดอะไรนะแล้วก็เนื้อหาที่พระองค์ประสงค์ก็ตรัสว่าก็บุคคลใดถึงพระพุทธเจ้านะครับเอตังโคนี่ก็บเอตังกันเอตังโค ก็บุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเห็นอริยสัจสี่คือทุกเหตุให้เกิดทุกความพ้นทุกและอริยมรตมีองค์8อันมีปกติอย่างผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบหมายถึงว่าผู้ที่ถึงพระรัตนะตรายว่าเป็นสารณะคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วก็เห็นอริยสัจคือบรรลุทุกขเหตุให้เกิดทุก ความดับทุกข์หรือว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะผู้ที่ถึงสารณะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงสารณะด้วยและเห็นอริยสัจด้วยนะการถึงสารณะของบุคคลนั้นนั่ น, น, นแหลนั้นเนี่ยแปลว่าชิดนะชิดขนาดนั้นแหละอย่างั้นเด็เป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นสารณะที่สูงสุดนะเอตังโคสารณังเข้มังเอตังสารณามุตตะมังนะครับ นั่นแหละเป็นสาระอันเกษมนั่นแหละเป็นสาระอันสูงสุดเพราะว่าบุคคลอาศัยสาระนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งหมดอันนัอัตถกถาท่านแยกให้เห็นชัดว่าเอตังตรงเนี้ยชิดนะถ้าควรมันก็ควรชิดแบบนี้แหละชิดแบบไหนอะชิดแบบเอาเป็นสาระเลยมันในที่นี้ก็น่าจะชัดขนาดนั้นแล้วแต่ที่มาในอัตถาว่าประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดที่ที่กําลังกล่าวถึงอยู่ ก็มีชิดบางอย่างก็คือชิดแบบเอาเป็นที่พึ่งเลยอย่างคาถาก่อนมาเมื่อกี้เนี่ยน ะ, ะชิดบางอย่างก็คือชิดแบบกําลังพูดถึงนะพูดถึงสิ่งใกล้ๆอยู่เหมือนกับในประโยคว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็แลปู่ทุชนเมื่อกล่าวสารเสริญคุณของภระธราคตพึงกล่าวด้วยคําสารเสริญคําสรรเสริญนั่นเป็นเล็กน้อยเพียงขั้นต่ําเพียงแค่สินอันนี้ก็คือแปลว่ามันใกล้ๆนะ อ๋ออันนี้ยกข้อความในพรหมชาลสูตรมายกข้อความในพรหมชาลสูตรที่พรหมทัตมานพเนี่ยนะครับชมพระพุทธเจ้าอาจารย์ของเขาเนี่ยนะส ป, ปิยะปริพาชกด่าพระพุทธเจ้าพรหมทัตมานพสารเสริญพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พิสูจน์ทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจก็กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทราบกันนะ คืสนทนากันแล้วพระองค์เสด็จมาพระองค์ก็ถามถามแล้วก็กราบทูลให้ทราบและพระองค์ก็ตรัสว่าที่ปุตุชนสารเสิร์นน่นน้อยนะสารเสิร์นเพียงเล็กน้อยพรมทัตมานนบกดสารเสิร์นในแค่เรื่องศีลเท่านั้นแหลนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ที่พระองค์มีอะเยอะกว่านั้นเยอะ <S <S และพระองค์ก็สแสดงว่าถ้าปุตุชนจะสารเสิร์นพระองค์สารเสิร์นอะไรบ้างสารเสิร์นจุลศีลมัชชีมศีลมหาศีลเขาจะชมพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นแหละ แต่อันที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความสามารถเท่านั้นคือไม่ได้ดีแค่นั้นมีดีกว่านั้นดีกว่านั้นเช่นพระองค์ก็ยกทิฏฐิ62สิบสงนี่นะพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นหมดนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกพระองค์สามารถบัญญัติพระวินัยทั้งหมดอันนี้ก็สิ่งปุถุชนก็ไม่สามารถรู้วิสัยอันนี้ได้หรือพระองค์เนี่ยสามารถแจกแจงปฏิจจสมุท บ, บาทได้อย่างละเอียดละออลึกซึ่งหรือสามารถแสดงอภิธรรมปีดกได้อย่างกว้างขวางนะนั้นแล้วแม้แต่ทิฏฐิหกก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นปูุ่ชนชมพระพุทธเจ้าก็ชมได้เพียงบางส่วนเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เลยยกมาว่าเออที่พระมทัตชมเนี่ยนะก็ชมได้แค่ศีลนั่นแหละอันนั้นจริงๆพระ อ, องค์ไม่ได้มีคุณธรรมแค่ศีล ร, รอกอ น, นะเนีตรงนี้เนี่ยกล่าวว่าเอตังเหมือนกันแต่แปลว่าประจักษ์ชัดในที่ประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดที่กําลังพูดถึงอยู่นะครับก็คําสรรเสริญนั่นนะนะคําพูดนั้น น, ะนี่มันใกล้โดยคําพูด ข้างบนเอตังข้างบนเนี่ยแปลว่าใกล้โดยการปฏิบัตินะใกล้โดยการปฏิบัติข้างล่างเนี่ยใกล้โดยคําพูดอันหนึ่งในที่นี้ท่านท่านประสงค์ว่าเอตังในที่นี้ น, น, นะครับเอตังสาวเนี่ยเพิ่งเห็นว่าใช้ในความหมายว่าประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดซึ่งกําลังกล่าวถึงอยู่นั่นแหละใกล้มี2 อ, อย่างที่ว่าไปนะใกล้โดยการปฏิบัติอย่างหนึ่งกับใกล้ด้วยการพูดนะ ตรงนี้เนี่ยนะวุตังเหเตังพระกวาตาเนี่ยนะวุตังอ่ะวุตังเหตังอ่ะเหเ ห, หรือหตตรงนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าใกล้แบบที่กําลังจะพูดพูดอยู่นะเพราะว่าเหตุผลคือเพราะว่าสูตรที่กําลังกล่าวถึงด้วยสามารถแห่งการพิจารณาพระ อ, อนนทเทระผู้ธรรมพันดาคาริกเนี่ยนะผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมเนี่ยนะดำรงอยู่แล้วในวุทธธรรมนะคือวุฒธะธนี่แปล ว, ว่าความเจริญ ดำรงอยู่เป็นผู้ความเจริญในธรรมเนี่ยนะกล่าวไว้แล้วในครั้งแรกว่าเอตังดังนี้